สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะรายการสรนสนีสนทนาดําเนินรายการโดยดิฉันสรนสนีนาคพงมาแล้วนะคะและเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ทั้งในส่วนที่เป็นคําสอนและในส่วนที่เป็นการปฏิบัติเราจึงเริ่มต้นรายการด้วยการนําท่านฟังปฏิบัติธรรมวันละประมาณ 5-6 นาทีนะคะโดยพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะน้ัสการกันทั้งค่ะเจรินพร วันนี้เราก็มาปฏิบัติด้วยการทําความเพียร น, นั่งสมาธิเพื่อเปลี่ยนเผากิเลสกันอีกก็ <c oughs> ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจมีความคิดใดๆเกิดขึ้นทั้งในอดีตนาคตความสุขความทุกข์ก็ให้ละความเพลินนั้นแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจหรือว่าเอเรียบทอื่นๆหากเราไม่มีโอกาสได้นั่งวันนี้ก็จะอ่านพระสูตรของการ จเจริญอาณาปานสติเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มนั่งสมาธิกันได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงการจเจริญอาณาปานสติไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสูป่ป่า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 ก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น <iley iley> ก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายยะสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำกายยะสังขาร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 เราสามารถทำได้ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งหรือนอนโดยท่านรัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุ ก, กำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังนอนอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความครุ้นคิดในทางกามหรือครุ้นคิด ด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในทางทําผู้อื่นให้ลําบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคลุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังเดินอยู่กําลังยืนอยู่กําลังนั่งอยู่กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอกุศลลามกเป็นคนปรารบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิดแลเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำลังเดินยืนนั่งหรือนอนหากเกิดความคิดในทางอากุศลต่างๆก็ให้รีบละความคิดนั้นเสียถ่ายทอนออกทำให้สิ้สุดลงไปจนไม่มีเหลือแล้วก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือว่าการเคลื่อนไหวอิริบท่างๆของคายเพียงเท่านี้เราก็ ได้ชื่อว่ากำลังปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทําความเพียพรพอกิเลสอยู่ตลอดเวลาลสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาพอสมควรก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายอิริบทได้วันนี้ก็พอเท่านี้ขันมัสการขอพระคุณนะค ะ, จะเจริญพรค่ะท่านฝั่งข้าและนั่นก็คือพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบคะ่ะ รายการสัสนิสนทนานะคะเรามุ่งเน้นที่จะให้30นาทีของรายการนี้เกิดประโยชน์กับท่านุ่งฟังสูงสุดเกิดประโยชน์กับการที่ได้ประชาสัมพันธ์คําสอนของพระพุทธองค์ทั้งในเรื่องของธรรมในเรื่องของวินยัยตลอดจนการปฏิบัติตามธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ติดตามเพื่อฝึกปฏิบัติกันต่อไปกับพระมารชาคาวโรในวันพรุ่งนี้ค่ะ